คุณชมคะแล้วมาถึงตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะมากราบเรียนถามคำถามกับพระอาจารย์คริสติโสธิพโลช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะท่านจะได้เห็นนะคะว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นจะนามาให้ความประจ่างกับคำถามของท่านได้อย่างไรคะ่ะมานัสการกราบพระอาจารย์กันก่อนนะคะ อาจาร์คะ ว, วันนี้เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้คุณตองเนี่ยที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้มีโอกาสถามคําถามามากมากก็ <c oughs> จะได้เป็นลักษณะคําถามที่แตกยอด อ, ออกไปน่าสนใจอีกแบบหนึง่งนะคะท่านผู้ชมที่วัดนี้จะมีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเสมอแล้วเราก็จะได้พบนะคะว่าคนเข้าวัดเดี๋ยวนี้นี่ไม่ต้องอายุมากแล้ ว, วค่ะคนหนุ่มๆอย่างคุณตองเนี่ยก็ตอนเยุอเท่าไหร่นะคะยีค่ะบห้เองเด็ก ขึ้นมาขึ้นมาครั้งแรกใช่ปะมาครั้งแรกเหรอคะเป็นการเข้าวัดครั้งแรกด้วยหรือเปล่าคะหมายถึงว่าทั่วทัไปเลยนี่คือครั้งแรกครับที่มาปฏิบัติธรรมเหรอคะเพราะเหตุใดเนี่ยอายุ25่ส้าเขาเรียกเบญจเพศใช่ไหมถึงได้เลือกมาฉลองที่วัดค่ะคิดว่าพุทธวจนะในการปฏิบัติเป็นเรื่องที่ง่ายครับผมครับง่ายกว่าการศึกษาตามหนังสือพระทั่วไปครับเมื่อได้ปฏิบัติง่ายก็ทําให้ได้ผลเห็นผลได้ง่ายขึ้นครับผมอเคแสดงว่าพิสูจน์แล้ว เริ่มต้นพิสูจน์ด้วยวิธีอะไรขออนุญาตถามสัมภาษณ์คุณตองก่อนนะคะ <c oughs> พิสูจน์ได้ในการแค่ดูแค่จิตนะครับครับผมดูแค่อารมณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันนะครับผมอืมว่า <okay. S 2> ถ้าเรารู้เร็ ว, รวขึ้นมันก็ทําให้นะครับได้ด้วยความโกรธความอิจชาริษยาหรือว่าความเหนื่อยความท้อต่างๆจะได้เร็วขึ้นครับทําให้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นครับผมอ่าฟังแล้วนี่เดี๋ยวจะต้องให้คุณตองเนีถามคําถามอื่นๆต่อไปจะได้รู้ว่า คุณตองมีประสบการณ์อะไรบ้างเมื่อกี้นี้ได้ยินว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับหมูหมูนะคะครับผมครับกลับเรียนถามท่านอาจารย์เลยค่ะจะขลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งขายหมูมาตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกประกอบอาชีพขายหมูมาโดยตลอดอืมแต่ในเมื่อกันขายหมูค่าหมูนั้นเป็นการละเมิดซึ่งครอบปานาัติปาตาอืแต่จระก็ไม่สามารถ จะทําให้สามารถเลี้ยงชีพได้ฮแล้วจะอย่างนี้ก็ถือว่าครอบครัวนี้จะต้องละสินข้อหนึ่งไปตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วข้ออื่นเขารักษาได้ไหมรักษาได้รักษาได้ก็แสดงว่าฆ่าหมูเนี่ยก็ไม่ต้องขโมยด้วยเนาะไม่ต้องไปประพฤติผิดในการนะไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานะท่านี้ฆ่าหมูนี่ต้องไปฆ่าอย่างอื่นด้วยไหมไม่นะยุงฆ่ามะมดมดอะไรไม่ฆ่านะไม่จําเป็นนะ เพราะนั้นการฆ่าอย่างอื่นทุกชนิดไม่ทำเหลือแต่หมูอย่างเดียวดีไหมใช่ครับตีกรอบเข้ามาเลยนะเพราะนั้นพระตถาคตเนี่ยให้เราเป็นผู้จับฉวยได้ไยในกุศลธรรมทั้งหลายนะตรงนี้เรายังทำไม่ได้ไม่เป็นไรเขาขายหมูเสร็จกลับบ้านเนี่ยเขายังดูหนังฟังเพลงไหมใช่ถ้าเขาดูหนังฟังเพลงแบ่งเวลามานั่งสมาธิหน่อยได้ไหมอเราก็จับฉวยได้ไยในกุศลอีกเหมือนกัน และการทําสมาธิเนี่ยแม้เพียงครั้งเดียวเนี่ยอันนี้ส่งมากกว่าการรักษาศีลร้อยเท่านี่พระตถาคตตัดไว้เมื่อสมัยพระองค์เกิดเป็นพราหม์ชื่อเวลามะรักษาศีลครั้งหนึ่งมากกว่าสร้างกุติวิหารร้อยครั้งสร้างกุติวิหารครั้งหนึ่งมากกว่าการทําทานให้ทานกับพระละหันร้อยองค์นั้นอย่างละร้อยเท่าร้อยเท่าร้อเท่ า, าเรานั่งสมาธิครั้งเดียวอันนี้ส่งมากมายเลยเห็นไหมนั้น รักษาศีลก็มีในสงฆ์แต่นั่งสมาธิก็ยังได้มากกว่าเป็นร้อยเท่ากลับไปบ้านนั่งสมาธิเลยมากน้อยขนาดไหนพระศาสดาบอกว่าขั้นต่ําสุดเนี่ยแค่รัดนิ้วมือแค่นั้นเองบอกพิสูจน์ทั้งหลายถ้าพิสูจน์เจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือเอานิ้วมือมารัดแค่เนี้ยเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเสือเปล่า จะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานนันสตินั้นเล่ายิ่งทำมากยิ่งดีนะนั้นโยมก็แนะนาเ้ากลับไปเนี่ยให้นั่งสมาธิมากๆนะเพราะกรรมคือการกระทำนะที่ทำสมาธิเนี่ยจะส่งผลในปัจจุบันเป็นกรรมดีที่จะส่งผลในปัจจุบัน ท, ทันทะีนั้นน้ำหนักน้หนักของการทำกรรมโยมรักษาศีลโยมทำสมาธิ อันไหนให้น้ำหนักมากกันทำสมาธิให้น้ำหนักมากกว่าโยมก็มาทำตรงนี้อย่าไปกังวลเรื่องตรงนี้มากโยมยังทำไม่ได้โยมก็เว้นตรงนี้ไว้ก่อนที่เหลือสินข้ออื่นทำให้ดีและต่อไปโยมก็ตั้งจิตปรารถนาว่าถ้ามีเหตุปัจจัยก็ขอให้ได้ล่าเลิกจากตรงนีนะ้และให้ได้มีอาชีพทดแทนที่ดีนะเธอปรารถนาสิ่งใดเธอจะสำเร็จสมความปรารถนาเพราะอะไรเพราะเธอทำสมาธิเพราะเธอรักษาศิน เพราะเธอไม่อยู่ในสุญญาคาวัตและประกอบพร้อมด้วยปรัศนาทำา4อย่างนี้ความปรารถนาเธอจะสำเร็จมันมีวิธีแก้หมดฟังท่านผู้ชมแล้วฟังท่านอาจารย์เราคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้แง่มุมที่สบายใจขึ้นเพราะว่าในการประกอบอาชีพพูดถึงสี่หเนี่ยบางทีดูเหมือนอาจจะง่ายแต่สาหรับบางคนลยากนะคะเช่นอย่างเรื่องบางคนอโอ้พูดปดเนี่ยมันจาเป็นจริงๆเลย ก็ใช้เทคนิควิธีนี้ได้ใช่คนเราเนี่ยพราะคิดว่าทาข้อนี้ไม่ได้ล้มข้ออื่นหมดเลยเห็นไหปัญญาไม่มีฉันคงจะไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลเห้ามพูดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใค่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับมีวิธีเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเดี๋ยวดิฉันจะกราบเรียนท่านอาจารย์ได้ใช้ถ้อยคำให้ใกล้เคียงกับพระพุทธองค์มากที่สุดนะคะที่บอกว่าให้เป็นผู้อะไรนะคะจับช่วยได้ไวจับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย ให้เป็นผู้จับ่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแปลว่าอะไรที่ดีเนี่ยให้เราว่องไวกับการที่จะคว้ามาคว้าเอามาทำมาฝึกขัดปฏิบัตินะค่ะและนี่ขนาดขายหมูต้องฆ่าเนี่ยคิดไปตามได้ ว, วาดเสียวมากเลยนะคะออออแต่ว่าปฏิบัติธรรมได้มากกว่าศีลข้ออื่นรักษาให้มั่น แม้กระทั่งศีนข้อหนึ่งก็อย่างอื่นที่ไม่จําเป็นที่ต้องฆ่าอย่าไปฆ่าใช่ไหมคะตีกรอบให้เหลือน้อยที่สุดแล้ให้ตรงที่เราทําไม่ได้จริงๆอ่ะ <ขา S 2> ใช่ไหมแล้วเมื่อปฏิบัติไปมากๆท่านอบอกว่าให้เราอธิษฐานหรือไงคะว่าให้มีโอกาสได้<ช>เลิกทําในสิ่งที่ไม่อยากจะทําเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจบมามันไม่ได้ตามอาชีพก็มีนะคยิ่มจบหมอมาไปเป็นนักการเมืองก็มีนะจบทหารมาไปเป็นนักบวชก็มี ค่ะเรียนวิศวะมานะไปทําอาชีพอื่นก็มีค่ะอย่างเนี้ยมันไม่แน่หรอกต้องยกตัวอย่างที่โยมเล็กที่มาช่วยในรายการนี้ชอบพูดอยู่เสมอมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเขาบอกว่าพระเอกเนี่ยเป็นนักเป่าอะไรสักอย่างไม่เครื่อนตรีเป็นศิลปินที่เก่งมากแต่หางานทําไม่ได้ต้องไปเป็นสับเรยอย่างเงี้ยก็เข้าตัวอย่างท่านเลยใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีชีวิตมันเป็นกรรมเก่านะคะที่เลือกไม่ได้ทั้งหมดเนี่ย คือคนเรเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเป็นอ น, นิจจังค่ะนะแต่ถ้าอาจารย์พูดในพระสูตรที่ดิฉันว่าน่าสนใจนะคะที่บอกว่าให้ทําสมาธิใช่ไหมคะ uh huh. ให้สินดีสินดีมีสุญญาคราวัต uh huh. และอะไรนะคะที่ท่ า, มานามีวิปัสนามีวิปัสนาเนี่ยค่ะมาถึงตรงเนี้ยแล้วบอกว่าจะปรารถนาอะไรก็จะได้จะได้แล้วก็ได้ในปัจจุบันด้วยใ ช, ใช่ไหมคะขอให้ทําทีนี้พอท่านพูดถึงว่าการที่เราปฏิบัติ จะได้ผลมากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยเท่าดิ uh huh. ฉันก็เลยสงสัยเขาว่าเอ๊ะถ้าปฏิบัติอย่างที่วันก่อนนั้นได้คุยกันว่าในระหว่างการปฏิบัติในบางคนได้แค่สมาธิได้สมถะเฉยๆ uh huh. แต่บางคนได้วิปัสสนา uh huh. ทีนี้ถ้าปฏิบัติอยู่แค่สมถะเนี่ย uh huh. ได้ร้อยเท่าของรักษาศีลหรือเปล่าคะ่ะใช่ได้ร้อยเท่าของรักษาศีลอ๋อไม่จําเป็นว่าต้องไปถึงวิปัสสนาเลยก็ได้ uh huh. uh huh. นะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจมากท่านค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ดีกว่าไม่ทําใช่ดีกว่ามากเลยนะเข้าใจถามจริงๆนอกจากเรื่องคนขายหมูแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมคะที่จะกราบเรียนถามอาจารย์ <c oughs> จากที่ศึกษามาตั้งแต่เด็กๆนะครับ <ứng S 2> ผม <ứng S 2> ครับ <ứng S 2> <ứng S 1> ส่วนมากเวลาการนั่งสมาธิเขาใช้ภาวนาคําว่าพุทโธ<อ>ซึ่งทาในพุโ<อ>พทโธวจะนะไม่มีคําว่าภาวนาเกิดขึ้นอแต่เมื่อทําไปเรื่อยๆเป็น5ปีสิปีคําว่าพุทโธจะเข้าไปอยู่ในสติโดยอัปโนมัติทาให้เวลาหายใจเข้าออกจะมีพุทโธเพ้่มาอยู่ด้วยแต่ จะยึดถือตาพุทธวจนะทำไงถึงจะละคำา น, นั้นออกจากจิตใจได้ครับเรื่องคําพูดเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งของจิตโ ย, ยมลองสูดลมหายใจทีเดียวสูดเข้าแล้วก็ปล่อยออกไม่เห็นมีความคิดเลยนะมันมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นั้นพระศาสดาเนี่ยไม่เคยสอนเรื่องคําบริกรรมเลยแต่สาวกยุคนี้มาสอนเรื่องคําบริกรรมกันใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบสิพราะตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยพระเจ้าไม่เคยสอนทั้งชีวิตเนี่ย เอาสิ่งที่ผู้เจ้าไม่เคยสอนทั้งชีวิตเนี่ยออกไปก่อนนะเรากําลังทําให้คําสอนพระศาสดาเนี่ยเพียวบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆไม่มีความเห็นจากใครที่ไม่ใช่สัพพัญญูเพราะตถาคตเป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลก ค, ความเห็นในการพ้นทุกข์เข้าถึงนิพพานศาสดาเท่านั้นที่รู้ตรงนี้สาวกที่เหลือเนี่ยจำเอานะจำให้ดีนะแล้วเอาไปปฏิบัติ แล้วอย่ามามีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไม่ได้พระเจ้าสั่งไว้แล้วว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วเชื่อพระศาสดาไหมล่ะเชื่อไห ม, ล, ไมล่ะว่าคําพระเจ้าเป็นอากาลิโกถ้าเราไม่เชื่อก็แสดงว่าเราหวั่นไหวในพระพุทธและอันดับแรกพลาดละนะเมื่อหวั่นไหวในพระพุทธก็หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์มาด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นแค่สาวกฟังคําสอนมาปฏิบัติตามเท่านั้น ไม่ใช่เป็นคนบัญญัติต้องรู้ว่าคําสอนสาวกไม่มีสาวกเป็นผู้ทําตามเดินตามปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบนั่งสวดอิติปิโสกันมาแล้วเนี่ย <c oughs> นะต้องรู้ได้ว่าศรัทธาพระสงฆ์เนี่ยศรัทธาแค่ไหนศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาแค่ไหนศรัทธาพระธรรมศรัทธาอย่างไรอย่าศรัทธาพระสงฆ์เกินจริงพระสงฆ์คุณศรัทธาแค่นี้ศาสดาบัญญัติแล้วพระสงฆ์นี่ศรัทธาตรงนี้ ข้าพุทธเจ้าศรัทธาตรงนี้ถ้าอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้เลยคิดว่าถึงแม้ว่าจะสวดอิติปิโสกันมาแล้วอะแต่ก็คิดว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าที่สวดอยู่นั่นหมายความว่าจะต้องศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยเพียงใดคะอคือนึกว่าศรัทธาเสมอกันหมดเลยไงพระเจ้าแบ่งระดับให้แล้วว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงตัสลูก่อนเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดค่ะนะ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่ามีไหมสงฆ์สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าไม่มีไม่มีมมมนั่น ค, คือความสามารถพระาศาสดาเท่านั้นใช่ใครเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยทำตถาคตคไม่ใช่พระสงฆ์น ะ, ะอ ม, มีคนถามเรื่องนี้มาว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยใช้กับพระสงฆ์พระหลานได้ไหมศาสดาไม่เคยใช้เลยทั้งชีวิตอใช้คํานี้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้น นั่นเนี่ยประเด็นพวกเนี้ยเพราะนั้นเวลาสรรเสริญพระเจ้าเกินจริงพระเจ้าก็บอกไม่ใช่สรรเสริญผิดสรนเสริญตถาคตอย่างถูกต้องต้องสรรเสริญอย่างนี้ว่าตถาคตเนี่ยเป็นผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้รู้ธรรมอันไม่ตายนะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะสรนเสริญพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธจะทําอย่างไรซึ่งพระเจ้าอธิบายไวหมดแล้วเห็นน ะ, ะนั่นหมายความว่าบทอิติปิโส <c oughs> พระพุทธองค์ ได้ตรัสถึงพระพุทธองค์เองใช่ไหมคะว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกปาแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถเป็นครูยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งใช่ใซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีในพระสงฆ์ไม่มีในพระสงฆ์อ๋อค่ะเป็นผู้บัญญัติคําสอนเป็นมัคคะเป็นมัคคันยูมัคควิทูรู้มัคก่อนรู้แจ้งมัคและเป็นมัคคโกวิโตเป็นผู้ฉลาดในมัคค่ะนั่นเป็นทีนี้ ขอให้แยกให้ชัดเจนอีกหน่อยได้ไหมคะ uh huh. ว่าในในบทของสวาขาโตที่พูดถึงการสันเสริญพระธรรมสันเสริญได้เพียงใดค่ะสันเสริญพระธรรมเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคือต้องเชื่อมั่นว่าพระธรรมคําสอนตรงเนี้นะถูกต้องน ะ, uh huh. ะไม่มีถ้อยคําอื่นเพราะว่าคําสอนเรียกว่าศาสนีสาศาสนงคําสอนจากปากคนอื่นไม่มี มีแต่คําสอนจากปากตถาคตพระเจ้าจึงบอกพวกเธอเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตคปากหมายถึงปากพระเจ้าเนี่ยพูดมาเป็นศาสนีสันนิษฐานคือคําพูดคําบอกซึ่งประกอบด้วยปาฏิหาริณ์จึงเรียกว่าอนุศาสนาสันนิษฐานซึ่งไม่มีในคําของสาวกสาวกพูดเนี่ยแล้วบรรลุทําได้คือเอาคําพูดพระพุทธเจ้าไปพูดสาวกครั้งพุทธการเหมือนกัน เขาจะพูดเขาจะพูดคำตถาคตเวลาผู้เจ้าจะไปให้ธรรมมากกวาใครแล้วไม่มีโอกาสไปก็จะฝาก อ, อานอนนเอาคำนี้ไปนะแล้วไปพูดให้พระคลิมนุ์ฟังค่ะอาพระองค์นี้เอาคำนี้ไปนะไปพูดให้พระองค์นี้ฟังเขาฟังแล้วอาภาธจะระงับไปตามควรแก่ทานะหรือจะบรรลุธรรมอย่างนี้เป็นต้นค่ะ้วมาจากคำพระศาสดาทั้งนั้นอย่างนี้ คือไม่ใช่ผมว่าไปพูดด้วยเขาหน่อยให้ร <c oughs> ะงับอาการทุกจากเจ็บป่วยแต่ไมเลยบอกว่าให้ไปพูดอย่างไรด้วยใช่ผู้เจ้าสั่งพระนลอระนลจาสัญญาสีประการนี้นะไปพูดกับพระคิลิมานนท์พระอนนลฟังข้าวๆแล้วไปสรุปเองไหมไม่ใช่ต้องจําทุกคําไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คําเดียวทุกบทพป็นชนะอย่างนี้ออือค่ะ ซึ่งตรัสเองถึงคุณสมบัติของพระธรรมของพระองค์ว่าเป็นของที่ถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดการใช่ใช่และสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วค่ะสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วดังนั้นเราก็จึงต้องเคารพพระธรรมตามที่เป็นพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงและในการที่จะสรรเสริญพระสงฆ์ละคะท่านค่ะสรนเซินพระสงฆ์เนี่ยผู้เจ้าก็บอกว่า ให้รู้ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นพยานในคําสอนของพระศาสดา <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติดีดีตามใครดีตามพระพุทธเจ้า <Okay. S 1> ปฏิบัติตรงตรงตามใครตรงตามที่พรุทธเจ้าสอนอปฏิบัติต rong ปฏิบัติควรควรตามใครควรตามธรรมวินัยที่ศาสดาบัญญัติปฏิบัติชอบชอบอย่างไรก็คือทําได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน ในสิ่งที่ศาสดาพันธ์ย์นะคะและนั่นก็จะทําให้ความถูกต้องที่เราเข้าใจทําให้เราได้พบคําสอนที่ถูกต้องและก็ปฏิบัติตัวได้เหมาะสมใช่ค่ะใ น, นการศรัทธาพระสงฆ์ครับผมศรัทธาในพระสงค์ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบหรือว่าศรัทธาว่าพระสงค์ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบครับผมศรัทธาว่า ศรัทธาว่าพระสงฆ์ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบหรือว่าศรัทธาในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบไม่เหมือนกันเหรอหรือยังไงเนอะบางองค์ก็อาจจะมีไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าไม่ตรงนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบนะก็คือนั้นดังนง้นก็ไม่ควรศรัทธาเลยเลยครับผมอ่ะถูกต้องผู้ที่เป็นสงสาวกของพระศาสดาพระเจ้านับตั้งแต่ไหนปกติเราจะทราบว่าโสดาสกิทาคาอนาคาพราลานนี้คือสงสาวก อีกพุทธวจนะหนึ่งพระองค์ลงรายละเอียดไปอีกระดับหนึ่งคือผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ถ้าพระศีลไม่บริบูรณ์ปฏิบัติตรงไหมล่ะไม่ตรงพูะเจ้าจัดเป็นสงสาวกไหมไม่จัดเห็นนะศีลบริบูรณ์น ะ, ะ <c oughs> เข้าสมาธิในระดับรูปสัญญาสมาบัติได้ลูปัญญาสมาบัติได้โสดาสกิทาคาอนาคาพะหลนันนี่รวมและเจระดับ ชื่อว่าเป็นสงสาวกของพระตถาคตคเนี่ยเกณฑ์พวกเนี้ยใครเป็นคนจัดใครเป็นคนแบ่งใครเป็นคนบัญญัติศาสดาทั้งหมดเลยะนะไม่มีใครคิดเองได้หรอกนั้นในพูทศาสนาอย่าคิดเองอย่าคิดว่าไอ้อุบายเราดีความคิดเราดีเราคิดไอ้นนท์ไอ้นี่ขึ้นมาใหม่ไม่มีสิทธิน์นะผู้เจ้าสั่งไว้ก่อนปณิธานแล้วว่าคําขององค์สมบูรณ์แล้วนี่คือศาสตร์เดียวในโลกที่ไม่เหมือนกับศาสตร์ในโลกทั้งหมดอันตรามาถึงย้ําตลอดเวลาว่า ศาสตร์ในโลกเนี่ยเราเนี่ยเรียนศึกษาทางโลกศาสตร์ทุกแข น, แนงเราไม่ได้ c o p ปี้คำอาจารย์มาหมดน ะ, ะเราเนี่ยฟังอาจารย์มาแล้วก็มาสรุปทั้งนั้นนะ่ะสอบข้อสอบเนี่ยไม่ได้ก o อป้มาทั้งหมดน ะ, ะ, ะแต่าศาสนาพุทธไม่มีสิทธิ์พูดเองแต่งเองคิดเองไม่ได้นะก๊อปีอย่างเดียวเนะเวลาไปนั่งปฏิบัติยังต้องก o p y เลยพระพุทธเจ้าสั่งยังไงต้องทาอย่างนั้น ทำให้เหมือนที่พูเจ้าสั่งเนี่ยแค่นั้นเองนะ ถ, ถ้าอย่างนั้นแล้วอันนี้จะเข้าขายถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยคือดิฉันมีคนตั้งคำถามไว้และเห็นว่าน่าสนใจดีนะคะบอกว่ารู้ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นโทษนะคะจะเข้าขายอันนี้หรือเปล่าคะรู้ทำอย่างไรไม่เป็นโทษธรรมะเนี่ยชัดขออภัยค่ะเขาถามว่า ธรรมะถ้าใช้ผิดอันตรายอย่างไรจะเะมะถ้าใช้ผิดอันตรายอย่างไรใช้ผิดคือไม่หนึ่งใช้ธรรมะผิดถ้าใช้ธรรมะผิดคิดว่าเป็นธรรมะของพระศาสดาแต่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งละทุกคนบอกธรรมะธรรมะธรรมะหมดธรรมะแท้หรือเปล่าธรรมะพระศาสดาหรือเปล่ายังไม่ได้ตรวจเลยใช่ไหมแต่อย่างที่สองถ้าเป็นธรรมะพระศาสดา ใช้ในกรอบที่พระาศาสดาบอกสอนไว้ไหมค่ะนะเช่นว่าผู้เจ้าบอกว่าเธออย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนนะค่ะศึกษาเล่าเรียนควรไหมควรค่ะบอกว่าภิสูต บ, บวชเข้ามาแล้วให้เธอตั้งจิตว่าเธอจะศึกษาใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าจะศึกษาค่ะถ้าคนรู้พะสูตนี้ก็ไปนั่งเรียนกันทั้งวันพิษอีก ไปดูอีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าบอกว่าเธออย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนวันทั้งวันต้องทำอะไรผู้เจ้าสอนอีกให้เดินจงกรมสลับทั้งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีเห็นนะเนี่ยต้องรู้พระสูตรมากเห็นนะงั้นเท่ากับว่าท่านก็เลยจะตอบว่าธรรมะเนี่ยถ้าหากว่าจะศึกษาแล้วต้องเป็นธรรมะของพระศาสดา แล้วก็จะต้องเข้าใจอย่างรอบด้านด้วยถ้าไม่งั้นใช้ครึ่งๆกลางๆจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่เลยไงคะเพราะอย่างกับกรณีเนี่ยค่ะที่ท่านบอกว่าชจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่และอาจจะเป็นพิษเช่นว่าผู้เจ้าบอกเธอจะเป็นผู้มากด้วยการสวดจะเป็นผู้มากด้วยปริยัตไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ได้ธรรมเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจับงูนะก็เอาไม้เท้าดังง่ามเท้าแพะกดเข้าไปที่หัวงูนะ อันนี้คือบุรุษจับงูอย่างถูกต้องแต่ถ้าบุรุษจับงูไม่ถูกต้องจะไปจับงูที่หางะนะแล้วงูก็จะมาฉกกัดได้อ๋อนี่พระพุธงค์กลับไปเลยอ่าใช่ก็คือปริยัติที่เป็นงูพิษมาฉกกัดเจ้าของค่ะ น, นะคะอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากว่ า, าเราจะต้องต้องศึกษาให้มากให้รอบด้านใช่ใช่ให้รอบด้านนะไม่อย่างนั้นเราไม่ได้ประโยชน์อีกนะะีอะหรือ่ เอจากการนั่งวิปัสนาดูนะครับผมเออในการดูจิตแนละทาความเข้าใจในตัวจิตนะครับผ ม, มันไม่เหมือนกับคณิศาสตร์ที่ว่าเข้าใจในการบวกเลขแล้วสามารถบวกได้อีก uh huh. แต่ว่าต้องดูไปเรื่อยๆครับผม uh huh. แล้วจะสามารถเข้าใจได้ยังไงว่านั่นคือการเข้าใจแล้วครั บ, uh huh. รบผม uh huh. ก็ผู้เจ้ามีเกณฑ์ไหมนี่เราได้เกณฑ์ตามที่พระศาสดาบัญญัติไหมล่ะ เรานั่งสมาธิเราบอกว่าเราต้องการความสงบความสงบพระเจ้ามีกี่ระดับบัญญัติอะไรบ้างเราได้ศึกษาไหมก็ต้องศึกษาใช่ไหมนั้นถ้าเราไปฟังคนโน้นคนนี้พูดเราก็จะเข้าใจผิดไงเพราะเราไปคิดว่าออาจารย์คนนี้พูดบอกว่าต้องกายระเบิดอาจารย์คนนี้พูดบอกต้องจิตระเบิดอาจารย์คนนี้พูดบอกต้องเห็นแสงสว่างอาจารย์คนนี้พูดบอกต้องเห็นนรกสวรรค์เกี่ยวกับสมาธิไหมไม่เกี่ยวเลยพระเจ้าบอกสมาธิเธอต้อง ทิ้งอคุศลได้ต้องละวิตกวิจารณ์ได้ละปิติได้ละสุขได้เกี่ยวกันนะคนละเรื่องกันเลยนะอยู่ที่โยมฟังใครโยมฟังคนผิดพลาดช่วยไม่ได้เพราะโยมไม่ฟังศาสดาเองใช่ไหมไปคิดว่าคําคนนั้นดีคนนี้ดีนะแล้วทุกคนก็มีความเห็นบอกเอ้ความเห็นฉันดีง่ายอุบายฉันดีนี่แ่ละปัญหานะอแต่ที่ฉันจะกล่าวเป็นถามท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็รู้อยู่แล้วว่า พระศาสดาไม่ได้ไม่ได้สอนแต่ก็ต้องถามมันนะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์พูดบว่าถ้าใช้ไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเป็นยาพิษเช่นถ้าไม่รู้ก็อาจจะสวดมนต์ทั้งวันะนะคะดิฉันอยากเรียนถามนะคะเพราะว่าคนสวดมนต์ก็นิยมสวดมนต์มีเยอะนะคะธรรมะนี่ไม่มีทางเลือกหรอคะปฏิบัติธรรมตามพุทธเจ้าว่าใช้วิธีสวดมนต์อย่างเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอเออ การสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตต์ก็ต้องตามแบบพระศาสดาเหมือนกันโยมบอกอ่ะอยากสวดมนต์อย่างเดียวแล้วเข้าวิมุตต์ได้ไหมได้อ๋อได้เหมือนกันได้ค่ะมีการสวดมนต์ตามที่พระศาสดาบัญญัติไหมล่ะสรือว่านิเถึงได้วิมุตต์นี่ไงนี่เปัญหาล้ใช่ไหมค่ะพอบอกสวดมนต์เข้าวิมุตต์ได้โยมก็ไปนั่งสวดเลยนั่งสวดไปเลยปรากฏว่าบทสวดที่หยิบขึ้นมาก็ผิดอีกไปนั่งสวดคําที่คนแต่งใหม่พระศาสดาบอกอันดับแรกเนี่ ต้องสวดคําพระพุทธเจ้าแค่นี้ก็ผิดกันข่อนประเทศแล้วใอ๋อเ<ช>หรอคะบัญญัติไว้เลยเหรอคะว่าต้องสวดคำพระพุทธเจ้าเพราะเขาทรงจําแต่คําพระศาสดาเขาไม่ได้ทรงจําคําสา ว, วกไม่มีค่ะนะ <c oughs> สวดคําพระพุทธเจ้าแล้วต้องเข้าใจค่ะแล้วเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นมีห้าอาการนี้ไหมล่ะถ้ามีก็หลุดพ้นได้ค่ะถ้าไม่มีก็หลุดพ้นไม่ได้เห็นไหมอ๋อคะ่ะดังนั้นผู้ที่ อยากจะใช้วิธีสวดมนต์ถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ว่าต้องเป็นวิธีสวดมนต์ที่ถูกต้องใช่และถูกต้องอย่างไรก็คือว่าประการแรกเลยสําคัญที่สุดอะไรที่คุณเอามาสวดค่ะต้องบทชนะไดต้องสวดบทที่ถูกคือบทพยัญชนะพระพุทธองค์ได้เคยตรวจไหมว่าบทสวดที่ตัวเองสวดมันเป็นบทสวดพระศาสนาหรือเปล่า ท่านยกเล่มนี้ดิฉันขออนุญาตเลยนะคะยกมาด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นคู่มือที่สําคัญทีนี้อย่างกับในเล่มนี้มี300ยกว่าหน้าเนี่ยก็เต็มไปด้วยคําพระศาสดาใช่ตรงไหนเป็นบทสวดตรงไหนไม่เป็นครับาคะคำที่หลุดจากปากผู้เจ้าทรงจําได้หมดหมายถึงว่าดิฉันเลือกตรงไหนมาสวดก็ได้ใช่ไหคะนะใครชอบบทไหนสวดได้เลยค่ะทีนี้เราก็มานั่งไล่ดูคํำผู้เจ้ามีเป็นแสนเป็นล้านคําอย่างเนี้คเออเราจะเริ่มตรงไหนดี เราควรจะมีวิธีอะไรค่ะเราเคยสังเกตไหมผู้เจ้าสวดอะไรเนี่ยสังเกตอันดับแรกก่อนก็ได้ค่ะไม่มีใครเคยสังเกตเลยว่าพระผู้เจ้าสวดอะไรผู้เจ้าสวดกฎอิทับปัจยตาผู้เจ้าสวดปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครในประเทศสวดเลยเห็นค่ะบทสวดมีไหมปฏิจจสมุปไม่คุ้นค่ะพอพูดมาเนี่ยชาวพูดไม่คุ้นแต่พระเจ้าจะบอกพูดอะไรกันอยู่พระอาจารย์พูดอะไรอยู่ ไปพุทธเจ้าสาธยายตรงนี้อิทัพปัจจยตากับปฏิจจสมุกบานท่านเข้าเวลาเหลือแค่เนี้ยจะลงรายละเอียดได้ไหมคะหรือว่าต้องครั้งต่อไปอ๋อลงรายละเอียดในเรื่องสวดมนต์เนี่ยหรอค่ะหมายถึงบทสวดมนต์เลยว่าอ๋ออย่างนี้ดีกว่าค่ะทีฉันขออนุญาตที่จะกลับเรียนว่าขอให้ท่านพูดแค่หลักๆสวดบทที่ถูกละสมมติว่าให้ศึกษา ว, กว่าพุทธองค์สวดบทไหนท่านยกสองบทนี้ใช่ใช่แล้วก็เราสังเกตอีกว่าพุทธเจ้าสอนอะไรมากอะไรบ่อย ทรงจำตรงนั้นค่ะผู้เจ้าบอกมหาชนเนี่ยจะเดินตามที่ผู้เจ้าสรรเสริญค่ะผู้เจ้าสรรเสริญอะไรการละนันทิอาณาปานสติการพิจารณาผัสสะมรแปดอริยสัจสี่คุณต้องรู้ก่อนเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าตรัสรู้เรื่องพวกนี้ต้องรู้ก่อนเลยต้องเอามาสวดก่อนเห็นไหมค่ะอ่าค่ะและมันเราก็ตีกรอบได้แล้วเห็นไหมและง่ายขึ้นละและดิฉันโน้ตไว้อยากให้ท่านอาจารย์คอยตรวจสอบนะคะว่าถูกไหม ว่เมื่อเลือกบทที่ถูกแล้วสวดไปเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าสวด <ใจ S 1> อะไรอยู่ยเช่นชถ้าดิฉันสวดบท อ, อิทัปปัจยาตาก็าต้องรู้ว่าอิทัปปัจยาตาหมายความว่าอย่างไรถูกต้องนะคะเรียกว่ามีการแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นค่ะเพียงแต่เข้าใจหรือว่าต้องแม่นทุกคําเลยค ะ, ะถ้าเพียงแต่เข้าใจโยมหลุดพ้นได้แต่โยมจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่พอตัวเพื่อผู้อื่นเรียกว่าพอตัวเพื่อตัวเอง ไม่พอตัวเพื่อผู้อื่นถูกต้องช่วยคนอื่นไม่ได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกคาแล้วก็สามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ถูกต้องมันจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องไงถูกต้องจึงแปลว่าควรท่องให้ได้ทั้งหมดถ้าโยมต้องการท่องได้นะตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยนะถ้าเกิดเราพลัดหลงตายไปก่อนบรรลุเนี่ยจะทาให้บทพันะเหล่านี้ ไปปรากฏขึ้นในจิตของเราในภพต่อไปค่ะหรือเราได้ยินได้ฟังใครเ็พูดธรรมะตรงนี้จะสะกิดใจเราขึ้นมาแล้วเราจะบรรลุทำได<อ>น้นี่คือประโยชน์ต่อตอนเองประโยชน์ต่อผู้อื่นก็คือโยมจะถ่ายทอดบอกสอนศาสนาต่อไปได้พระสัะะทธรรมคำสอนซึ่งทำให้พระสัทธรมเนี่ยตั้งมั่นดำรงอยู่ได้นานค่ะสวดบทที่ถูกแล้วจึงต้องเข้าใจและถ้าหากว่าสามารถสวดได้ครบถ้วนนะคะ เข้าใจด้วยจะพอตัวเพื่อผู้อื่นด้วยถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วสิ่งที่เราควรได้ตามมาคือปีติถูกไหมคะจะได้โดยอัตโนมัตินะคะก็เวลาเราเข้าใจธรรมะพระศ า, าสดาเนี่ยยมจะเกิดปีติอยู่แล้วย่มจะทราบซึ่งว่าเออผู้เจ้าเนี่ยพูดจริงนะร่างกายไม่เที่ยงจริงเวทนาไม่เที่ยงจริงทุกอย่างเกิดดับหมดมันจะเกิดความนิพิทาความเบื่อหน่ายความคลายความพอใจ